สาสนาพผนที่75ระดับที่5โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรธานีสแสดงธรรมในวันที่9มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ วันนี้เป็นวันที่เก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันหยห้าสิบปดวันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนหกวิสาขะวันพระหลังที่ผ่านมาอันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเป็นวันปฏิบัติธรรมรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ของพวกเรา พวกเราจึงได้มารวมกันพร้อมกันประชุมกันไหว้พระตามที่พวกเราเคยปฏิบัติกันมาทุกวันพระวันนี้หลวงพ่อเองจะย้ำกล่าวเกี่ยวกับเรื่องภาวนาพอหลวงพ่อได้พูดอย่างอื่นมามากต่อมากแนวความคิดแปกแตกต่าง แต่เรื่องจิตภาวนาก็เคยย้ำมาหลายครั้งต่อหลายโหนเหมือนกันแต่ถึงอย่างไงก็ให้ถือว่าหน้าที่ของพวกเราถึงพวกเราจะทานอาหารอย่างอื่นก็เถอะแต่ก็คือข้าวพวกเราจะต้องเป็นอาหารหลักของพวกเรานี้ก็เหมือนกันถึงพวกเราจะคิดอย่างอื่นทำอย่างอื่น อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในความคิดเห็นนานาจิตต่างนานาทัศนะแต่ถึงยังไงก็เรื่องจิตตภาวนาอย่าลดละอย่าลืมหลงอย่าชราใจอย่ามองข้ามถือว่าอันนี้คือหลักหลักของพวกเราที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนามาปฏิบัติอย่างเนีแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์น้องนุง่งทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ที่เขามาอยู่วัดหลวงพอ่อไม่ได้มาหลวงพ่อไม่ได้สอนใส่อย่างอื่นไม่ได้สอนใส่เรื่องร า, าบหัวโมกณนะลาบยศสรรเสริญสุขหลวงพ่อไม่ได้สอนใส่สิ่งเหล่านั้นสอนเรื่องจิตภาวนาพวกเราเข้ามาเพื่อฝึกฝนจิตใจของพวกเราให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงในอัดในธรรม ของพระพุทธเจ้าะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาให้ตั้งใจภาวนาให้ตั้งใจปฏิบัติให้ศึกษาให้ศึกษาในเรื่องนี้ให้มากเรื่องศีลเราก็เห็นหมู่เห็นเพื่อนการเป็นอยู่เรื่องศีลเราก็ไม่มองข้าม กฎระเบียบในวัดเป็นยังไงหลวงพ่อจะไม่สอนเพราะเหตุไรเพราะสอนพระเก่าไว้แล้วพระเก่าเป็นผู้พาดำเนินเป็นผู้พากระทากฎระเบียบยังไงพระเก่าถ้าพระเก่าเป็นผู้มีคุณภาพศักยภาพเป็นผู้มุ่งมั่นในหลักธรรมวินยัยเชื่อมั่นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นในแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระรุ่นเก่าจะต้องเป็นหลักให้รุ่นน้องๆให้เดินตามและจากนั้นก็สิ่งไหนที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรพระน้องๆทั้งหลายยังไม่รู้พระรุ่นพี่ก็ต้องบอกกล่าวแนะนําให้เข้ายุคเข้สู่กฎระเบียบวินัยอันนั้นคือหลวงพ่อไม่ได้ห่วง ให้พวกท่านทั้งหลายมองกันดูกันเพราะว่าหลักธรรมวินัยเนี่ยไม่ใช่ของหลวงพ่อเป็นเป็นหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อก็ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติธรรมตามแนวกฎระเบียบของหลวงพ่อที่ตั้งขึ้นมาเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะไปฟังแต่หลวงพ่อพูดอย่างเดียวไม่ได้พวกเราต้องต้องศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างไร ขันทวัตเวทเจวัตเจนาเจนาวัตอาคารทุกกาวัดอะไรให้พวกเราได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นหลวงพ่อก็ได้แนะนําบอกกล่าวให้กับพวกท่านทั้งหลายได้รู้แล้วถ้าท่านทั้งหลายจําไม่ได้ยังหลงเลิมพวกท่านทั้งหลายก็ควรจะศึกษาค้นคว้าในตํารามีอยู่แล้วเพราะหลวงพ่อพก็ศึกษามาจากตําราเหมือนกันในเรื่องพระวินัย พวกท่านทั้งหลายก็ควรจะหลวงพ่อพูดออกไปมันผิดหรือโทกพวกท่านทั้งหลายก็ได้ค้นขวาตามหลักพระธรรมวินัยคือพระไตรปิฎกมีอยู่แล้วเมื่อรู้รู้แล้วก็ไม่ได้ิตามหลักธรรมวินัยนั้นเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็รักษาตามกฎระเบียบตามหลักพระธรรมวินัยที่ท่านได้ศึกษาได้อ่านอันนี้ก็คือเป็น เรื่องที่ว่าเป็นเรื่องราวพวกเราควรจะศึกษาสรุปละก็คือเป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายไม่ลึกซึ้งไม่ลี้ลับเป็นกฎระเบียบในเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามพระองค์ไหนรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามอันนั้นแปลว่าดื้อด้านไม่มีฮิลิโอตัปะ เป็นพระอรชิตาไม่เป็นผู้ไม่มียางอายอรชิตาคือพระอรชีเนะี่ยเป็นผู้ไม่มียางอายไม่มีฮิิโอตปะไม่มียางอายต่อการกระทำบาปเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นในกลุ่มในหมู่ในคณะของพวกเราที่อยู่ด้วยกันมันเข้ากันไม่ได้คนหนึ่งมียางอายคนหนึ่งไม่มียางอายคนหนึ่งเป็นผู้อยู่ในศีลองหนึ่งไม่อยู่ในศีล อยู่ด้วยกันไม่ได้หเหมือนน้ำกับ น, น้ำมันเพราะนั้นต้องบอกถ้าองค์ไหนไม่อยู่ในหลักอย่างนั้นแล้วให้บอกบอกหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเป็นหัวหน้าหลวงพ่อจะจัดการไม่ให้อยู่ด้วยออกนอกวัดเพราะแผ่นดินเ ม, มืองไทยกว้างขวางวัดที่อื่นก็มีต่างเยอะแยะถ้าไม่ไฟไม่ไฟดีไม่อยู่ดี ไม่ใยในการประพฤติปฏิบัติอยู่ทาไม อ, อยู่ไปก็ไม่อยู่ในหลักธรรมไม่ได้เข้าหมูไม่ได้อยู่ไปเพื่ออะไรแผ่นดินเมืองไทยมันแคบเหรอหลวงพ่อก็จะบอกอย่างนั้นแต่นี้หลวงพ่อมองเห็นแล้วพวกลูกๆห ล, ล, ล, ลา น, ลานทั้งหลายก็เป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาในการเรียนรู้ทุกองค์ที่หลวงพ่อพูดอย่างนั้นค่อยๆว่าปลามเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อจะต้องปฏิบัติอย่างนั้น ในพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าท่านจะอ่อนแอปวกเปียกทีเดียวนะพระพุทธองค์ท่านบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเราในเปือนเหมือนกับนายช่างหม้ อ, เ, อเราอยาจะตีหม้อให้เป็นอยู่น้ำเราต้องน เ, อเนียนดินทบดินทบแล้วทุบอีกอจนให้เหนียวแน่น เราจึงปั้นหม้อจากนั้นเราก็ตีหม้อให้มันแน่นให้อยู่น้ำเราจะไม่ทำแบบทนุถนอมเราทำแบบแตีให้ให้แน่นให้อยู่น้ำให้ได้นี้ก็เหมือนกันโรคศ์เราตถาคตเป็นองค์ไหนก็ตามที่เข้ามาสู่วัดของเราเราจะต้องให้อยู่ในกฎระเบียบทมวินยัยไม่ให้อยู่นอกลู่ออกนอกลู่นอกทาง นพนันผู้ที่เข้ามาศึกษาธรรมะจะต้องอยู่ในกฎระเบียบอันนี้คือในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะที่เราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเราจะได้ศึกษาได้เรียนรู้เหล่านี้ถ้าว่าเราศึกษาเรื่องวิ น, นัยนะพอเราอ่านวินัยเราจะเห็นเลยละ่ะอย่างนี้อ่อันนี้ก็คือถ้าดูแล้วก็วินัยก็คือเป็นการปกครองสงฆ์ให้อยู่ เป็นหมู่เป็นหมวดเป็นหมู่ถึงจะมาจากตากเผ่ า, าพันหลายเผ่าพันหลายตระกูลหลายวิชาอาชีพถึงจะเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่ต่างองค์ก็ต่างมุ่งมั่นในอัดในธรรมมีความคิดเห็นอย่างเดียวกันคือต้องการภาวนาหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาร พอเห็นแล้ววัตตะสงสารรนี่ล้วนแต่มีแต่ความทุกข์ความสุขที่แท้จริงจะหาได้ที่ไหนอันนี้ที่หลวงพ่อเด็กสาธกแสดงให้ฟังเมื่อวันวามันก่อนเพราะนั้นในเมื่อเขามาบวชอย่างนี้แล้วเราก็มีแต่ความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในรักธรรมไม่ในกฎระเบียบ การอยู่ด้วยกันจะไม่ให้มีเรื่องขัดข้องหมองใจกันเพราะเหตุไรเพราะไม่ต่างองค์ก็ต่างอยู่ในกรอบต่างองค์ก็ต้องต่างอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นผู้มีศีลด้วยกันที่จะทํำสิ่งไหนเราก็บูดูหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์แล้วก็พระรุ่นเก่าก็แนะนําบอกกล่าวดูเป็นหูเป็นตาช่วยกัน แต่หลวงพ่อคิดว่าผู้ที่เจตนาไม่ดีจะออกนอกรูนอกทางออกไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยคงไม่มีในวัดของพวกเราพราต่างองค์ก็ต่างมากจากพ่อจากแม่จากตระกูลของตนเองเข้ามาแล้ยเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้ในหลักพระธรรมวินัยเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็น ศักดิ์ศรีสำหรับตนเองให้เป็นสง่าราศีสำหรับวงตระกูลไม่ใช่เข้ามาแล้วทำตนเป็นคนเป็นพระที่ไม่ดีพอได้ยินไปถึงไหนพ่อแม่อายไปถึงนั่นโกวโงจาติโกโหติกาอายไปถึงนั่นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพราะพวกเราก็มาฝึกหัดดัดเนตสใสมาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนี่แหละ ขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกองค์นะ เ, เข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อนะถึงจะอยู่ในป่าโรงพงไัยก็เถอะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในเรื่องภาวนาจากนั้นก็ใหอ้อย่าไปคิดว่าหลวงพ่อพูดแต่ตอนเช้ า, าบางทีก็พูดในแนวความพิษหลายๆอยา่างนานาจิตต่างนานาทัศนะหลวงพ่อก็พูดให้ฟังชี้ประเด็นให้ฟังนี่เป็นอย่างนี้นะหานั่นเป็นอย่างงั่นนะ แต่ถึงยังไงก็เถอะกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปที่หลวงพ่อได้ให้จาดโยมพะยัะไวยวิทยุมานะ่แต่เราจะไปฟังเพลงฟังลำนะห้ามเด็ดขาดองคไหนก็ฟังเถอะถ้ารู้องคไหนฟังให้บอกพระเก่ารุ่นพี่อย่าไปเกรงใจอันนั้นคือทาผิดหลักพระธรรมวินัยแล้วขนาดศิลปแปดเขาก็ยังไม่ฟังเพลงฟังลำ แต่พวกเราถือศีลสิน2นะ่7ไปไปทำอย่างนั้นได้อย่างไงมันไม่ใช่ที่เราแจกให้ไปนะี่คือฟังธรรมเทศนาองค์หลวงตาเพราะว่าสถานีวิทยุเสียงธรรมของเราเนะี่ยเปิด24ชั่วโมงมีแต่เสียงธรรมะกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปหลวงตาจะเป็นองค์แสดงธรรมเทศนาเทศอบรมพระโดยตรง ไม่ใช่เทศคารวาะแต่ตอนกลางวันให้ค่ายกับครูบาอาจารย์แต่และองค์เขาเอาลงมาก็มีห ล, ล, ล, ล, ลวงปู่ล่าหลวงปู่ซิงทองห ล, ล, ลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อหลวงปู่ต่างๆมากมายหลวงปู่ชิมหลวงปู่ชาหลวงปู่พ่อพุทธมีมากาที่ลงในที่ธรรมเทศนาตอนกลางวันมีหลวงตาเป็นหลัก แต่พอตกกลางคืนนังแต่สองทุ่มแล้วไปเนี่ยจะเอาลงธรรมเทศนาของหลว ง, งตาอบรมพระเท่านั้นเพราะนั้นให้พระลูกพระหลานทั้งหลายที่พิทยุที่แจกไปนั่น เ, นเวลาไหว้พระเดินยโงกรมตอนหัวคำ่ำเดินจะเป็นเดินสามสี่หทุ่มเดินโยกรมเสร็จแล้วก็ขึ้นไหว้พระสวดมนต์เท่าที่จะสวดมนต์มากมายตามที่เราได้เรียนได้ศึกษามา พอสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออนั่งขัดสมาธิพ อ, อนั่งสมาธิแล้วก็เปิด mp3 เปิดแท็บเปิดวิทยุฟังธรรมเทศนา 107.25 เมกะเฮิร์แล้วก็นั่งฟังจะไปเปิดดังพอมันจะเป็นเสียงรบกวนท่านผู้อื่นเขาเราเปิดพอเราได้ยินเท่านั้นะที่ยินชัดถ้อยชัดคำ มันชัดอยู่แล้วสถานีวิทยุของเราเพราะมันอยู่ใกล้จากนั้นเราก็นั่งคัดสมาธิปนมมือขึ้น เ, เวลาเราจะนั่งปรนมมือไหว้ครูซะก่อนพททุทโธธรรมโมสังโฆพทโทุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงอคัดสมาธิจากนั้นก็ภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกตัวให้สติอยู่กับตนเองอยู่ที่ปลายจมกูกเสียงเข้ามาทางหู เรารับรู้รับรู้หลวงตาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรเราผ่านเข้ามาหูของเราเข้าสู่ใจใจของเรารับรู้รับรู้รับรู้รับรู้รับรู้เราไม่ได้ฟังเพื่อจำแต่เราฟังเพื่อรู้ฟังเพื่อจำต่างหากนะฟังเพื่อรู้อีกต่างหากนะถ้าฟังเพื่อรู้นี่ยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้ว่าพูดอะไรอันนี้ฟังอย่างนี้ได้ผลนะ เป็นกา ร, ป, รปฏิบัติทางด้านจิตใจโดยตรงแต่ถ้าว่าเราฟังเพื่อจำพอท่านอรมรมพบทอย่างไรเราก็พยายามจําจากนั้นก็เรียงเรียงลำดับที่ท่านพูดอย่างไงเมื่อเทศจบเราก็พูดได้เรานำมาพูดได้เพราะเราจำได้ว่าองหลวงตาท่านแสดงทำเรื่องอะไรในวันนี้อันนี้ฟังเพื่อจําแต่ฟังเพื่อรู้เนี่ยเราไม่ต้องใส่ใจในการจา เพียงตะวักอันไหนที่สูงเข้ามาได้ถึงใจถึงใจรู้รู้รู้รู้ก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอันนี้แหะจะทําให้จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบได้ในเมื่อฟังเทศจบกันหนึ่งแล้วปัดปิดไว้ก่อนอย่าไปฟังเตลิดเปิดเปิงเตลึงเปิงเปิดนะปิดไว้ซะก่อนพอปิดเสร็จแล้วก็เราก็นั่งภาวนาต่อกําหนดลมหายใจเข้าออกต่อเลย นานเท่าที่จะนานได้จากนั้นเราจึงค่อยออกมาเราจะพักกันอย่างค่อยว่ากันถือว่าเราจะเน้ถือเนชัดชี้เราขอฟังเอกนั่งต่ออีกจากนั้นก็ปิดไปเอกก็นั่งภาวนาต่ออีกอันนี้การฟังเทศลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าเราฟังไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางฟังเตลิดเปิดเปิงเตริงเปิงเปิด มันต่อไปใจของเราก็เลยด้านใจิตใจของเราด้านคล้ายๆมันฟังเหมือนกับเสียงธรรมดาไปแต่มันไม่สะดุดใจมันเสียงธรรมดาแต่ถ้าว่าเราฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเราจะเป็นคนใหม่อยู่เสมอฟังเพื่อเป็นเรื่องใหม่อยู่เสมอในเมื่อฟังเป็นเรื่องใหม่ใจของเราก็จะยอมรับรับรับในธรรมเทศนาของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาจากนั้นเราจะแก้ไขยังไงสมาถะท่านสอนยังไงสมาถะคือสมาธิท่านวิธีการสอนสอนยังไงถอนวิปัชนนาแนวความรู้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางอย่างไรในที่สุดเราจะรู้ได้แนวแถวที่องค์หลวงตาท่านสอนเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆองค์นะพูดทางนี้ทางนั้นเรื่องฟัง พวกเราอยากคิดว่าด้อยในการศึกษาด้อยในการฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เต็มทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่เราจะเป็นตุกผูด้อยหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจเราก็ด้อยเองะถึงจะอยูออ่วัดป่านาคำน้อยเนี่ยกว่าเถอะก็ไม่แพ้พวกมดพวกปลวกพวกลิงข้างบางชนี เขาไม่มีวิทยุฟังเขาก็อยู่อย่างนั้นเราจะอยู่อย่างนั้นเหรออย่างอยู่อย่างไก่ป่าอย่างนั้นเหรอหมูป่าอย่างนั้นเหรอไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราก็ควรจะใส่ใจฟังเรียนรู้ศึกษาและปฏิบัติอันนี้แหละคือวิธีการพวกเราเข้ามาศึกษานอกจากนั้นหลวงพ่อพยายามบอกกล่าวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าวัดของเรา เป็นวัดจำนักปฏิบัติไม่ใช่มาเพื่ออยู่อย่างอื่นไม่ได้สอนให้เรียนปริยัตเพื่อสะแสวงหาลาบยศสรรเสริญเยินยอไม่ใช่เราสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาฝึกฝน อ, อ, อบรมทางด้านจิตใจเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น องหลวงตาหลวงปู่ลาที่หลวงพ่อได้ศึกษาหลวงพ่อเอามาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนลูกหลานหลายแนวหลายวิธีการที่อันไหนจะเกิดประโยชน์หลวงพ่อพยายามแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกพระลูกพระหลานทั้งหลายให้ได้ฟังให้ได้ศึกษาจากนั้นก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องต่างๆที่พวกเราจะอยู่ในโลกวัตสงสารจะอยู่ยังไงเราไม่เอาเปรียบเขา อยู่ยังไงเราไม่เสียเปียบเขาอยู่ยังไงการอยู่ด้วยกันจึงถ้อยทีท้อยอาศาัยกันพึ่งพาอาศัยกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันหลวงพ่อมิจะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเรามีเมตตามีน้าใจในสิ่งไหนที่มันไม่ทีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้นหลวงพ่อพูดแล้วย้าแล้วย้ำอีอกอักะตังลุ ก, กะตังเสยโยนะความชั่วอย่าทาเฉยดีกว่า ความชั่วเมื่อทาลงไปแล้วความชั่วให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังความชั่วทุกอย่างอย่าทำเสฉยดีกว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าทำเสฉยดีกว่าในเมื่อเราทำลงไปแล้วกฎหมายให้เล่นงานตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะเราทำผิดกฎหมา ย, า ย, าย <ens> กฎหมายก็จะต้องเล่นงานเรากฎหมายทางที่ถูกก็เล่นงาน เราเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อเรารู้แล้วว่ามันผิดกฎหมายเราอย่าทำํำเมื่อสิ่งที่เรารู้แล้วมันไม่ถูกมันผิดเราอย่าทําอมันไม่หิดมันผิดทําไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อขอย้ําแล้วย้ําอีกให้พวกพระลูกพาหลานศรัทธาญาติโยมได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆูกทันนะตั้งใจภาวนาภาวนาเนี่ย ถึงหลวงพ่อพูดว่าให้เรื่องภาวนาเนี่ยสาคัญหลวงพ่อแนะนําบอกกล่าวสอนแล้วสอนอีกวิธีการจะยังโง่ทำอย่างไงนั่งภาวนาทำอย่างไรแต่สรุปแล้วก็คือเวลานั่งภา ว, ภาวนาให้ดูจิตใจของตัวเองขณะในใจของเรามันนึกคิดเรื่องอะไรมันไปทางกิเลสกามกิเลสใช่ไหมหรือโทสะคือความโกรธคุนเครืองอยู่ในใจของเราใช่ไหม มันคุณเกลืองไปเพื่ออะไรมันตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันรักรักไปเพื่ออะไรมันตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมไอ้ในเมื่อโยนถึงโยนมาหาความตายเท่านั้นแหละไอ้ถ้าโยนมาหาความตายมันจะไม่จิตใจจะไม่เศร้าหมองและลงพ่อเนะไอ้ว้าวอ้างว้างบมดอะไรตายอยากในโลกในวัฏสงสารนั้นก็โง่อีกนะถ้าเป็นอย่างนั้น่ะจิตใจโง่ทั้งนั้นไอ้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราก็ร e. ู iento, ้ว si, ่ามันไปเป็นอย่างนั้น ตั้งแต่เราไม่เกิดมันเป็นอยู่อย่างนี้เราเกิดมาทําไมเออเราเกิดมาทําไมมันก็มีเป็นอยู่อย่างนี้นะเกิดมาแล้วจะไปหาโง่อย่างนั้นอีกเหรออ่าในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งไหนควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงจะถูกท่องจึงจะเป็นธรรมจะปล่อยวางยังไงจะทําใจยังไงในเรื่องที่เรารเผชิญและเราเป็นอยู่อย่างนี้นะอันนี้เราต้องใช้ปัญญาพิจารณา ไตรตรองไกรกร์กันกรองไตรตองวางตัวให้ถูกต้องในเมื่อวางตัวถูกต้องมันจะไปว้าวีอ้างว้างไปเพื่ออะไรให้โง่ทําไมเราจะไปโอ้อวดว่าตัวเองจะไม่ตายจะไปคิดได้ยังไงมันก็โง่อีกแบบหนึง่งถ้าว้าวีอ้างว้างเงียบซึมเศร้าก็โง่อีกแบบหนึง่ง เ, เราไม่ควรพวกเราที่ได้รับการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราไม่น่าจะยึดทั้งสองอย่างลืมตัวแล้วก็ไม่ควรจะเป็นหน้าจ้อยหง้อยเหงาเ อ, อจนหมดอะไรตายอยากก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้เป็นบรมครูท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครธต้นโพแต่ครั้งแรกท่านก็ท้อพระไท่ในการจะแสดงธรรมเพราะว่าธรรมที่ท่านได้มาเนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้ง เป็นธรรมที่ทวนกระแสของโลกโลกทั้งหลายเขาเห็นว่าร่างกายสังขาร น, นี่ลาบยศจนะเสริญสุขโลกกธรรมสี่เนี่ยมีความสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายสังขาร น, นี่เป็นอสุภะปฏิกูลมีแต่ธาตุสีดินน้ำลมไฟตายแล้วสู่สภาพดินน้ำลมไฟอสุภะปฏิกูลเป็นมีแต่ของเน่าของ ปฏิกูลทั้งหมดอยู่ในร่างกายนี่ยแต่นี้โลกทั้งโลกเขาเห็นว่าร่างกายเนี่เป็นของเสร็จสวยงดงามดูแล้วน่ารักใคร่ชอบใจมันทวนกระแสกับธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นึกมาดูถ้าเราจะสอนที่เราได้รู้ได้เห็นธรรมมาเนี่ยเราจะไปสอนให้เขาเนี่ย เขาเห็นไปินแบบมุมเนึงเราเห็นอีกมุมหนึ่งเป็นทวนกระแสกันเลยสวนกระแสกันเลยเนะี่ยเราจะไปสอนเขามันจะไม่ทำให้อารลําบากสอนฟรีๆสอนโง่ๆหรือว่าสอนให้เขาไม่เข้าใจมันจะไม่เกิดประโยชน์มั้งเราไปสอนเขาทำไมในเมื่อเราได้ธรรมะแล้วกเข้าสู่นิพพานแท้กระจกเราสอนเขาเขาคงจะไม่ฟังเพราะเขา ใจของเขาอีกมุมหนึง่งนี่แหละค่ะเี่ยว่าพระพุทธเจ้าทอประทยในการจะแสดงธรรมพรมรู้ว่ารจิตของพระพุทธเจ้าอยู่ที่พรมท่านมองโอ้ท่าพระพุทธเจ้าท้อประไทยอย่างนี้โลกจิบหายฮะพวกเราควรจะลงไปกราบราตนาพระพุทธเจ้าให้เห็นแก่โลกในยำว่าพรมมาจะโลกาติปฏิสหมปฏิ ก่อนที่จะพระจะแสดงธรรมอันนี้ก็คือการปรารถนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าในโลกนี้มันมีหลายระดับผู้ที่มีทุลีเบาบางผู้ที่จะเห็นอัดเนถนธรรมมีอยู่พระเจ้าข่าผู้ที่นืดมอดอพวกตาหูหนวกตาบอดมันก็มีจูงไปยังไงมันก็มันก็ น, ก น, นั่นแหละหลงทิศหลงทางอยู่อย่างนั้น่อะอผู้ที่หู หูดีตาดีมีอยู่ที่จะมองเห็นสัจธรรมเห็นความดีความชั่วที่พระพุทธองค์จะแสดงธรรมมีพระเจ้าข่าเนอ่พระองค์อืใช่เราเป็นใครเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่เรายังรู้ได้เราจะไปวิเศษกว่าใครอื่นได้เหรอโลกคนนี้มันต้องเขารู้เรารู้ได้เขาก็ต้องรู้ได้ถ้าเราสอนให้ไปในทางที่ถูกต้อง นี่แหละพระพุทธองค์ก็เมื่อได้รับอาราธนาพรมอล า, าธนาแล้วมีแก่จิตใจจากนั้นพระองค์ก็รับรับอาราธนาพรมจากนั้นเราท่านก่มองไปหาใครแล้วจะปรดใครก่อนอมองไปหาก็ไปเห็น ด, ดาราดรบุอุตธกาดาบด ท, ที่ท่านไปเรียนไปศึกษาด้วยก่อน ท, ที่ท่านจะได้ตัดรู้ท่านดาบด ท, ทั้งสองก็ได มลนะลงไปเสร็จแล้วท่านก็มองไปหาปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจิงท่านจะได้เดิน อ, อยู่ทั้งห7เจดอาทิตย์อยู่ที่พุทธกายาในลกแวกนั้นจากนั้นจึงได้เดินไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไปถึงวันอาสาหาบูชานะไปแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหา้าปญัญญาโกนั ญ, ญาายาอะไรสาเร็จพระโสดาบันเป็นท่านแรกนะ นี่แหละความเป็นมาของพุท ธ, ธะถ้าว่าพระองค์ได้ตัดรู้แล้วได้ําเร็จมรรคจำเร็จผลแล้วนะพระองค์หมดอว้าเวอ้างว้าเงียบเหงาซึมเศร้า เ, เพราะว่ามองเห็นโลกแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างไงพระองค์จะประกาศพระศาสนาจะวางพระศาสนาได้ยังไง นี่ะอันส่วนหนึ่งอันนั้นคือส่วนหนึ่งท่านรู้รู้แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรอย่างที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้กับพวกเราคณะสัท ธ, ธาติยาโยรูลูกหลานฟังหลวงพ่อถึงจะภาวนายังไงเห็นอันในจางทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะปฏิกูลเห็นร่างกายสังขารของตัวเองจะต้องตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นจะต้องเผาไฟทิ้งแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแล้ถึงจะเราจะตายจึกสงรามกว่าเถ ตายน้ําท่วมตายที่ไหนก็ต้องตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเอ่อณเมื่อเราตายเราจะไปสร้างวัดสร้างวาจะไปสอนคนให้โง่ทำใหมแล้วจะไปอยู่อย่างนี้ทำใหม่เออแต่เมื่อเราไม่สืบทายาทไว้พุทธศาสนาคุณงามความดีจะดีได้อย่างไรเมื่อเราเกิดมาแล้วถ้าเกิดมาแล้วตายทีเดียวมันก็มีปัญหาทีมันยืนยาวมาไง เราก็ต้องบอกกล่าวแนะนําพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมให้รู้จักตีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรเท่าที่จะบอกกล่าวได้แต่คนสอนไม่ได้บอกไม่ได้ก็เอ า, เอาก็แล้วแล้วก่วอนไปอพวกโลกเนี่ก็อย่างที่หลงที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไวผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็มีตังเยอะแยะผู้ที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าก็ยังมีอีกต่างหากเป็นกลุ่มอีกต่างหาก ไม่ใช่ว่าจะนับถือเรื่มใสทุกคนไม่ใช่อันนี้เราจะเป็นใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่อแต่เมื่อเราแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกญาติโยมลูกน้องลูกหลานทุกคนแล้วเป็นคนดีเนอะพ่อในลูกหลานเนอะสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าประกอบเนอะในเรื่องนั้นๆอแต่เมื่อบอกไปแล้วสอนไปแล้ว หลวงพ่อสอนตัวเองอีกเ้ยถึงข้าพเจ้าจะแนะนำบอกกล่าวสั่งสอนยังไงก็เถอะนะอีกซักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดข้าพเจ้าจะเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างวัดวาศาสนาลูกศิษย์ลูกหาน้องนุ่งลูกห ล, กลานทั้งหลายข้าพเจ้าจะต้องไปตามลาพังข้าพเจ้าต้อ ง, ต, องต้องหนีออกจากวงการต้องทิ้ง ร่างกายไว้ในแผ่นดินนี่อันนี้ก็คือความในใจของของเราเราคิดไว้อยู่เสมออันนี้แหละคิดไว้อยู่อย่างนี้ถ้าคิดไว้อย่างนี้จะไม่ลืมตัวนะลูกหลานทำอะไรอะไรก็ตามไม่ลืมตัวไม่หลงตัวไม่ลืมตนเพราะอะไรเพราะเร า, เราลึกถึงไว้อยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งฮะไม่ว่าวันไหนละ่ะ เ, เราจะต้องหนีออกจากร่างนี้ไปไปสู่อันไหน ถ้าเราพ้นทุกข์เราก็เข้าสู่นิพพานถ้าเราไม่พ้นทุกข์เราก็ไปเป็นพรหมสุดทาวาสแล้วก็เป็นพรหมทั่วไปเป็นสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็มาเวียนมาเกิดอีกถ้าเรายัางเป็นปุถุชนอยอู่แล้วก็ต้องเวียนไหว้ตายเกิดสู้ต่อไปนี่แหละอันนี้ก็คือแนวความคิด ในใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่หลวงพ่อพูดตรงพ่อบอกให้กล่าวหนะลวงพ่อว่านะให้พวกท่านทั้งหลายคิดให้ดูให้ดีกันแล้วกันถ้าระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนะอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องหนีจากโลกแต่ตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วแต่บางคนว่าตายแล้วสูญ เออศูนย์เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาถ้าผู้ที่ภาวนาผู้ที่ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองร่างกายในตายแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไยแน่นอนแต่นามธรรมคือตัวผู้รู้อยู่ตรงนั้นแหละจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆใจในตายไม่เป็นนะถ้าว่าพวกเรา ทำจิตยังทำจิตใจให้สงบไม่ได้สงสัยวันยังคําอวันไหนก็สงสัยอยู่อย่างงั้นแหะแต่ทําทจิตใจให้สงบหมดหม ด, หมดความสงสัยนะ เ, เรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องตายและเกิดและตายและสูนะหมดความสงสัยอพอรู้แก่ใจรู้รู้ได้ด้วยตนเองแต่ถ้าว่าเรายังไม่ได้ยังทําจิตใจให้สงบไม่ได้สงสัยนะ พูดอย่างไงก็สงสัยอยู่อย่างนั้นนะถ้าว่าใครแนะนําสั่งสอนว่าตายแล้วสูนย์ไปกับเผาอดหลอดเลยละ่เะเพราะเหตุอะไรเอเพราะมันมันมันจิตใจมันชอบไหลไปทางตามอยู่แล้วเ อ, อมันชอบใจของเรามันโง่อยู่แล้วอโง่เง่าเต่าตุ่นอยู่แล้วสิ่งไหนที่เขาแนะนําไปทางชั่ว น, นไปเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกเ อ, อถ้าเป็นแนะนําไปในทางที่ดีนะเ อ, อ, อย่าไปอย่าไปเชื่อทีเดียวนะ แบ่งใจไว้นะทำจิตใจให้สงบนะถ้าจิตใจของเธอสงบท่านสงบเราจะท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าหากว่าใจของท่านยังจำใจไม่สงบไม่ได้ท่านจะจ้องสงสัยอยู่ตลอดเวลาสงสัยอยู่งั้นนะพรอะอะไรเพราะเรายังไม่ได้พิสูจน์อย่างที่นีเราเคยอยู่ในที่ล่มที่เงานะ เอออันนั้นไฟนะถ้าเรายังไม่ได้ต่อแตนะเนี่ยมันก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละเออเหมือนกระเด็กมันเกิดมาใหม่อสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กโยงพ่อของหลวงพ่อเนี่ยจะว่าทาลุนก็ใช่นะเออจะว่าให้เด็กรู้ก็ใช่เออบางทีเด็กตัวนกเล็กกาลังคานกระตับกระตับไปนะ่ะพอเห็นโคมไฟตะเกียงโปะนะมันกับพยายามจะจะไปจับ อพ่อแม่ก็ไมาอยากจะให้มันจับเพราะว่ากลัวมันจะไหม้มืออหลวงโยมพ่อของหลวงพ่อเอาให้มันจับเลยมันเป็นไรไปเอมันจะได้เข็ดมันจับทีเดียวเท่านั้นแหละมันเป็นไรไปมันไปร้อนเท่าไหร่หรอกร้องให้มันจับเลยสิมันอยากจะจับออพิ่อแม่กับเอามือไปจับโป้ท่านั้นนะเฮ้ยร้องจ้ากเลยท่นเลตั้งแต่บาทนั้นมันจับมือมันเข้าไปดูสิบานี่ จับมือมันใส่มันจังไม่เข้ามันตั้งกลัวเลยเถอะนี่ยเออมันกลัวความร้อนในโป๊ะตะเกียงนะั่นนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครรู้แก่ใจของตนเองเลยเอออันนี้เราได้สัมผัสนี่ก็เหมือนกันเหมือนเด็กจับโปต ะ, ะเกียงอย่างนั้นแหละเออเพระาะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ศึกษาและลงมือปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ไดเห็นได้ในตัวของของเราถ้าคนอื่นปฏิบัติตัวเองไม่ได้ปฏิบัตินะ่ะสงสัยวันยังค่าเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านประกาศไว้แล้วว่าธรรมะปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้นะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสาหรับพวก พระลูกพราหลานชดทชาญาติโยมเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะัตหนีหน้า